ลักษณะของริษยาคืออะไรกลัวเขาจะเกินหน้าเกินตาเดี๋ยวเขาจะเก่งกว่ารู้กว่ามีความสามารถกว่านี้แหละเขาเรียกว่าริษยาส่วนตรณีก็แม้อะไรพิเศษก็ ข, ขอความพิเศษอันนั้นอยู่แต่ในเราผู้เดียวคนอื่นไม่ต้องเป็นคนพิเศษทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าตรณีสุนัขขัดตะนั้นผูกอาฆาตผูกโกรธโดยประมาณอย่างยิ่งทิ้งผ้ากาสายะโกรธโกรธ ถ, ถึงขนาดเรียกว่าไม่ห่มจีวร อ, อีกต่อไป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 เพราะนั้นด้วยความเกล่าวไม่จริงเที่ยวไปไปเที่ยวมูสาวาทนะไปเที่ยวโพลทนาพระพุทธเจ้าที่วาจาที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ยนะเขาพูดเพราะความโกรธทั้งนั้นเนี่ยบทว่าวันโนเฮโซสาริปุ ต, ตะความว่าดูก่อนสาริปุตรตถาคตเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีทั้งหลายก็คือบารมีสิบอุป ป, รปารมีสิบปรมาภิป ร, ม, ปรมีสิบเนี่ยอยู่สิ้นสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับได้กระทําความพยายามเพื่อประโยชน์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 ก็ย e uh, ังชื im, values, ่นชมเนี่ยนะอุยยานี่ยาผีบอกแต่กินแล้วหายคลายๆแบบนี้นะแต่นี้เขาก็บอกว่าเป็นคำที่กพระพุทธเจ้าคิดเองอะไรเองไปสอนไปแล้วเนี่ยนะแต่เออคนฟังปฏิบัติตามมันรู้ได้นะแต่จริงๆแล้วพระองค์ไม่รู้จริงหรอกทรงแสดงอะไรด้วยบทเป็นต้นว่าอายังปิหินามสาริปตะดังนี้แสดงความที่อุปตริมนุษธรรมที่สุนัขัตตปฏิเสธมีอยู่ในพระองค์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 มองในแง่ลบเนี่ยแหมมันพยายามที่จะปิดตาตัวเองหมดบอกภูเขาทั้งลลกก็มองไม่เห็นเขาว่างั้นไม่เห็นไม่เห็นอะ่ะทำไมไม่เห็นว่าไม่ได้ลืมตาเลยนี่ก็เหมือนการสุนัขขัดตาฤชวีบุตรถึงพระพุทธเจ้าจะมีพระคุณเช่นนั้นมากหาที่สุดไม่ได้ก็เจียงแต่คนที่ไม่ไม่มีปัญญาที่จะรู้คุณเนี่ยนะก็เลยปฏิเสธทั้งทั้งที่พระคุณของพระองค์มีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยบอกไว้อย่างย่นย่อเนื้อความโดยสรุปของสูตรเนี่ยนะ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 ที่พระองค์มีสัพพัญญุตยานพระองค์มีอิทธิวิธีมีหูทิพรู้วาระจิตมีทศพลยานจะตุเวสารชยานญานที่ไม่ขั้นข้ามในบริษัทแปดกาหนดกําเนิด4กําหนดคติห้าอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นความสามารถแต่แต่อะไรแต่ว่าความคิดคล้อยตามธรรมหรือที่จะรับรู้นะที่จะรู้ตามเห็นตามความคิดคล้อยตามธรรมที่สามารถรู้อุตริมนุสธรรมแม่ข้อหนึ่งในบรรดา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 พระพุทธเจ้ามานานแล้วเนี่ยนะไม่ได้สะสมศรัทธาเป็นต้นพี่ที่จะเห็นคุณของพระรัตนไตรแล้วโดยพื้นฐานเขาเองนั้นอดีตชาติเขาเคยเป็นเจ้าลัทธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาไปเห็นนักบวชนุ่งหม่มลมอากาศเนี่ยพวกนี้กราบไหว้เลยนะไปถึงโอ๊้ขอนอ้มน้อมแด่ท่านพระอรหันต์เลื่อมใสามากเพราะมันเลื่อมใสเนี่ยมันติดมาตั้งหลายชาตินั้นเะนี่ยนะพะนั้นเวลาใครเลื่อมเลื่อมใสอะไรชอบอะไรสักอย่างหนึ่งบอกเรื่องไม่ไม่ใช่เพิ่งมี ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะเพราน่าหากว่าเราจะเกลียดอะไรชังอะไรชอบอะไรจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะโดยมากเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทําดีนี่ก็แสดงว่าเราเคยสะสมนะถ้าอย่างพวกเราฟังธรรมนี่ก็แสดงว่าอดีตเคยสั่งสมอัธยาสัยที่จะฟังธรรมนั่นก็ให้กําลังใจอย่าไปกดขี่ข่มเหงเกินไปเนี่ยนะแต่ละแต่ก็ขณะเดียวกันถ้าไม่ชอบฟังธรรมเมื่อไหร่ก็แสดงวันนี้มีหน้าละ ว, วัตตะจิงยาวอย่างนั้นนะนะสรุปว่า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 เรีว่าเก็บไว้ใต้เสือให้หมดเลยนะไม่ไมรับรู้ไม่เห็นไม่ทราบเผาหลักฐานทิ้งให้หมดนะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะตัวเองต้องการจะปฏิเสธตัวเองจะต้องการจะทําลายพระพุทธเจ้าโดยอัธยาศัยเนี่ยนะคือเขาเขาเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิทยาศัยเนี่ยนะเป็นพวกมิจฉาพิธิโดยอัธยาศัยนั้นก็เลยปฏิเสธแม้กระทั่งทศพลยานจตุเวสารชยานยานที่ไม่ขั้นข้ามในบริษัทแปดยานที่กําหนดกําเนิดสี่กำหนดคติห้า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 อย่างอภิธรรมเนี่ยเขาให้เทวดาเรียนไม่ได้มนุษย์เรียนหรอกก็คิดดูสิพระพุทธเจ้าไปแสดงถึงดาวหัวดึงเพราะมนุษย์อย่าไปเรียนเลยเรียนก็ไม่รู้เอกคนหนึ่งเอกคนหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธคุณหาที่สุดไม่ได้อย่าไปเรียนเรียนยังไงก็ไม่รู้คุณทั้งหมดหรอกพระพุทธเจ้าเป็นอาจินตยไม่ต้องเรียนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละเออแล้วไปเรียนอะไรเรียนเรื่องของเขาให้เขาเพลย์เจอให้ฟังแล้วกั น, อ ย, ก น, นอย่างนั้นนะถ้ายังเงี้ยได้คือบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นพร้อมที่จะปฏิเสธอย่างนั้นจ ร, จริงๆแล้้วกก็บาางคนนเยไตดดััมิ ถามจริงเคยอ่านไหมของไม่เคยอ่านแล้วมันผิดยังไงไม่รู้เหมือนกันเาก็ขวา ม, มีที่เนี่ยนะมันยากบางคนว่าเรียนแล้วจะเป็นบ้าอย่างก็ว่าปกติเก่งมากนะอย่างกปกติคนดีสมบูรณ์แบบนะมาเรียนถ้าได้ไปดกแล้วกลัวเพี้ยนนะจริงก็ไม่ใช่อะไรหรอกปกติก็เพี้ยนอยู่แล้วแหละก็ไม่ได้ดีอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวนะเรียนเพื่อจะหายบ้างกลัวหายอกีกเขามีโยงคนหนึ่งใ น, นเรื่องจริงเขาเป็นอุ้ยชอบเด่มสุราเป็นชีวิตที่ใจ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 บอกทำไมอุตส่าห์ยอมใจตัวเองให้เฝ้าวัตตะอยู่ตั้งนานจะมาบอกวิธีออกจากวัตตะกันได้ง่ายๆหรือขออยู่วัตตะต่อไปกันแล้วกันะไม่ต้องการออกเลยประการทั้งปวงอะไรพวกนี้แหละเขาเรียกว่าพวกไม่มีธรรมมัวยะไม่น้อมเขาเรียกว่าให้น้อมตามกันบ้างก็ไม่เอาอนะเขาบอกบางคนเขาบอกว่าท่านก่อนเขามีคนโทรมาถามก็บอกนี่จะไปฟังท่านนะกลัวฟังไม่รู้เรื่องเอขอขามาก็พูดภาษาไทยนะเนี่ยนะ ก็พูดภาษาไทยนี่ปัญหาว่าอยากจะรู้เรื่องหรือเปล่าแค่นั้นอ่ะมันอยู่ตรงนั้ น, น, นอ่ะเขาบออุ้ยคันพูดเข้าใจยากถ้าหลับนี่ก็คงจะยากจริงล่ะเชื่อเถอะว่างั้ น, นะแต่ถ้านั่งตื่นๆคิดว่ารู้ภาษามนุษย์น่าจะฟังกันรู้เรื่องถ้าพูดขนาดนี้ไม่รู้เรื่องพขมาก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วว่างั้นเถอะนะมันก็หมดแล้วว่างั้นแต่ว่ามันก็เกินไปหาเหตุผลจนไม่ฟังอ่ะนะแต่เขามาเข้าใจแล้วเขาไม่อยากฟังอ่ะนะจริงจริงเขาจะบอกเราตรงๆก็ได้เราก็ไม่ว่าหรอกเพราะเราก็ไม่เคยไปขอร้องให้เข้ามาฟังอะไรหรอก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 เป็นเก่งนะวัตวัตตะเนี่ยเราอยู่กันมาเนิ่นนานก็เพราะความคิดเรานี้แหลนะมันมันเป็นริ่มสลักอย่างหนึ่งบอกอย่าไปเลยเนี่ยนะนะเราเฝ้าวัตตะกันตามเดิมต่อไปเถอะนนี่ในข้อหนึ่งร้อยหกสิบสองเนี่ยนะหนะึ่งร้อยหกสิบสองเขามาจะแปลคนละสำนวนนะไม่ไม่แปลตามสำนวนนี้มีอยู่บ้างทั้งทั้งสีนะ่ข้อเนี่ยนะข้อหนึ่งร้อยหกสิบสองสามสี่ห้า 165้หกห้าก็แปลเปลี่ยนสำนวนนิดหน่อยดูก่อนสาริบุก็การที่สุนัขขตะผู้เป็นโมฆะบุรุษบุรุษเปล่านี้เนี่ยนะไม่มีแม้ปัญญาคล้อยตามในคุณธรรมของเราว่าคือเขาไม่เคยพร้อมที่จะรับรู้เลยว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต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 แต่ไม่เคยจะน้อมไปเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อที่จะเข้าใจพระพุทธคุณเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นโมฆะบุรุษคือสุนัขขตะลิฉวีบุตรจึงปฏิเสธว่าอุตตริมรุษธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีทำรรอันพิเศษของพระพุทธเจ้าไม่มีก็ปฏิเสธอะไรอิติปิโสก่อนปฏิเสธอิติปิโสพระคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยไม่มีโรคเนี่ยนะ